เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเพาวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขีามาฟังเคสตัดดีกันลูกเป็นผู้นำบุญอยู่ประเทศเดนมาร์ก oh. ขวัดปี2537เจ โดยรู้จักทานหนังสือโลกทิพย์ในช่วงที่มีการสร้างพระประจำตัวบนเจดีย์ครั้งแรกพอได้เห็นก็ชวนเพื่อนๆมาสร้างด้วยโดยไม่รู้ว่าเป็นการทำหน้าที่พุ่นนำบุญที่ชวนก็เพราะชอบทำบุญและมีนิสัยชอบชวนคนทำบุญอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ทำหน้าที่มาตลอดไม่เคยขาดสักงาน ตอนบอกบุญสร้างพระได้ประมาณห0องค์ขึ้นไปและพระแกนกลางอีกประมาณ10บองค์และบอบุญทุกงานไม่เคยขาดช่วงกระถิหลวงปู่ี่้ทำบุญอย่างสุดๆดแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ไม่คล่องตัวจึงทำให้ใจตกไปช่วงหนึ่งแต่ก็ได้กระยิมิตรผู้ประสานงาน้าอีสานได้ทรงเทพธรรมะหลวงพ่อและข่าวบุญอย่างสม่าเสมอ แล้วก็ได้ฟังฝันในฝันเป็นประจำจึงทำให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อชีวิตของลูกนะ่ะตอนเด็กอายุห้าขวบแม่ก็ได้ยกให้เป็นลูกบุญธรรมของญาติแม่เพราะแม่เสียใจที่พ่อมีผู้หญิงใหม่จนเสียสติต้องไปอยู่โรงพยาบาลประสาทแต่พ่อแม่บุญธรรมก็มีลูกหลายคน ลูกก็เลยเป็นส่วนเกินเวลานอนเขาก็เห็นนอนคนเดียวกินคนเดียวไม่ค่อยจะได้รับความอบอุ่นต่อมาก็ได้ย้ายมีอยู่กับป้าที่กรุงเทพขณะสอบขึ้นชั้นปถมศึกษาปีที่สก็ถูกรถชน<อ>บ้านที่ป้าอยู่ก็ถูกไล่ที่<อ>ป้าก็ติดเล่า<อ>ตั้งย้ายไปอยู่กับคนอื่นไปเรื่อยๆ จะนายุประมาณ1 2บสองถึงสิบสามปีก็ตามหาแม่คิดว่าแม่คงเป็นที่พึ่งได้แต่พอเจอก็ผิดฝังเพราะแม่ก็ติดเล่าและบอกว่าให้ไปหาแฟนมาเลี้ยงแม่ก็จะไปบวทชทียังเด็กอยู่ก็คิดว่ามีแฟนแล้วชีวิตคงจะดีขึ้นเพราะมีที่พึ่งตอนนั้นคิดในวัยเด็กนะจ๊ะ ก็เลยไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นสอหอทหารเพื่อนก็นจะพาไปหาพ่อแม่ของผู้ชายแต่ไปถึงบ้านแฟนของเพื่อนก็โดนหลอกว่าทลาะ ก, กับแฟนเข้าบ้านยังไม่ได้เขาก็พาไปที่พักบ้านพักทหารลูกกระตกเป็นภรรยาของเพื่อนรุ่นพี่โดยไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่รู้เรื่องคุมกำเนิดต่มาลูกกระตั้งท้องโดยไม่รู้ตัวพอแฟรู้ก็ชวนเพื่อนข้างบ้านมาหลอก ว่าจะพาไปเที่ยวทะเลแต่ก็พาไปหาหมอทาแท้ง oh. หมอมาคลาเพื่อจะเอาลูกออกแต่คลาไม่เจอก็พากลับบ้านมาอยู่กับพ่อแม่เขาเจอทัทางขนมขายฐานะปานกลางต่อมาได้ข่าวว่าเขามีแฟนใหม่ทำงานอยู่ในกรมทหารด้วยกัน mm. ก็เลยน้อยใจหนีออกจากบ้านไปทำงานก่อสร้าง mm. ตอนนั้นไม่ทราบว่าตัวเองท้องมีคนซักผ้ามาทัก แล้วเขาเห็นเส้นที่คอเต้นก็ตกใจไปหาหมอหมอบอกว่าท้องมาได้เจ็ดเดือนแล้ว<อ>ก็เลยปล่อยเลยตามเลยพอครบกาหนดคลอดก็คลอดลูกเป็นผู้หญิงมีร้านเสริมสวยอยู่ข้างบ้านมีลูกชายอายุประมาณห้าหกขวบจะวิ่งมาดูลูกทุกวันเลยถามว่าอยากได้น้องหรือเด็กก็บอกว่าอยากได้ พอดีพ่อแม่งเด็กก็ไม่มีโอกาสมีลูกอีกเห็นลูกชายมาเฝ้าทุกวันเลยขอไปเลี้ยงแล้วไปแจ้งเกิดเป็นลูกของตัวเองและให้สัญญาว่าอย่ามาให้ลูกเห็นหน้าอีกคือให้แม่กับลูกพลาดกันไปตลอดชาติเงี้ยแลลูกก็เลยไปหางานใหม่พอได้งานใหม่ก็มีแฟนอีกแต่แฟนเป็นคนเจ้าชู้มากแล้วก็มีท้องอีกทำแท้งไปสองครั้ง เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขอเลิกแต่แฟนกับตามตือ้อเลยย้ายไปพักที่ ท, ที่ที่ทำงานกับเพื่อนเพราะมีแต่ผู้หญิงที่ทำงานเป็นบาร์เบียแต่ใครได้ภาษามีฝรั่งมาเขาก็จะให้หารายได้พิเศษแต่ลูกไม่ได้ภาษาเลยได้เลยได้ทำหน้าที่ล้างแก้วได้เงินเดือนเดือนละแปดร้อยบาทต่อมามีฝรั่งชาวเซเลียมาขอแต่งงาน แต่ลูกไม่ได้ภาษาพูดกันก็นไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้แต่งต่อมาเจ้าของร้านก็เลิกกิจา ก, การก็ไปหางานใหม่ได้งานร้านแก้วเหมือนเดิมที่ร้านมีแคชเชียร์ที่ติดไพ่ติดการมานันจะแอบไปเล่นเป็นประจำคือแคชเชียร์นะจะแอบไปเล่นจะให้ลูกดู แ, แลร้านทำหน้าที่แทนพอเจ้าของร้านจับได้เขาก็ไล่ออกเจ้าของร้านเห็นลูกเป็นองหยัน แต่ไม่ค่อยฉลาดเลอให้เป็นแคสเชียแทนต่อมาก็ได้เจอกับฝรั่งชาวเดนมาร์กมาชอบและขอแต่งงานก็เลยมาอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กสิบเจปีแล้วค่ะ<อ>มาพบเนื้อคู่ที่เป็นชาวเดนมาร์กสามีของลูกเป็นช่างสีอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรและไม่มีศาสนาชอบกินเหล้าและเล่นการา น, นันแต่ก็ไม่ประจํา แต่ถ้ามาเมืองไทยเมื่อใดจะกินเหล้าทุกวัน oh. แล้วพามาวัดก็จะมาบ้างขัดบ้างเวลาลูกทำบุญก็จะต้องแอบทำไม่ให้รู้แต่บอกบุญเขาก็จะทำทุกครั้งแต่ก็ไม่มากแต่ลูกมีเท่าไหร่ก็ลูกก็จะทำหมดเพราะเป็นคนใจใหญ่เข้าใจโครงงานหลวงพ่อมีเท่าไหร่ก็อยากทำเยอะๆแล้วช่วงนี้ก็ได้บอกบุญทองหล่อหลวงปู่ทั้งทาเองและชวนคนอื่นทาได้แล้วห้าบาทค่ และในช่วงปีใหม่ลูกได้ขอหลวงปู่ให้สามียอมขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดจนเขายอมขึ้นอยู่สองวันเพราะเขาเป็นคนรักพ่ออยากรู้ว่าพ่อตายแล้วไปอยู่ไหนเลยยอมนั่งสมาธิเมื่อกลับไปได้มาก็นั่งสมาธิเกือบทุกวันพ่อสามีลูกนะมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างดูแลสวนสัตว์และขายของเก่า เป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ตลอดแต่ก็จะห้ามปรามลูกเนะ่ไม่ให้ทำตาม oh. คือพ่อจะทำแต่ว่าห้ามลูก oh. ท่านป่วยเป็นโรคปอดอักเสบไม่มีแรงหมอก็บอกไม่มีอากาศหายใจเลยชีใจใ้ายตายเร็วขึ้น oh. เออ oh, <hi. S 1> ที่จริงอากาศมีหายใจแต่ต่อไม่มีอารมณ์จะหายใจเลื่นี้ oh. <laughs> ก่อนพ่อสามีจะตายลูกจะบอกให้สามีทําบุญสร้างองค์พระประจําตัวให้พ่อแม่และตัวเขาเองเขาก็สร้างสามองค์พร้อมกันส่วนแม่ของลูกเนี่ยย้อนกลับไปที่แม่ตอนแรกลูกก็ไม่ได้สนใจเพราะน้อยใจที่ไม่เลี้ยงลูกและแถมยังติดเหล้าด้วยส่งเงินไปให้ก็ใช้กินเหล้าหมดแต่พอฟังเทศหลวงพ่อก็คิดได้ว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ ก็เลยกลับมาดูแลท่านปีละหนึ่งครั้ง <Okay. S 1> ซึ่งลูกก็ได้พามาวัดด้วยตัวลูกเองก็มีโรคประจำตัวคือจะปวดท้องมากๆ mm hmm. เวลามีประจำเดือน mm hmm. จนบางครั้งคิดว่าจะตายสามีก็เอ็นหลังขาด mm hmm. กำลังรักษาอยู่ค่ะสำหรับคำถาม mm hmm. โอ้โหทำไมกรรมมันเยอะมงอะ mm hmm. ลูกทำกรรมอะไรมาในวัยเด็กจึงโดนทอดทิ้งให้ลาบากอย่างนี้คะ โดนหลอกให้มีสามีตั้งแต่ยังเยาว์วัยลูกคนแรกเ้าทำบุญอะไรามาจึงมีคนรับไปเลี้ยงแต่ไม่ให้แม่กับลูกเจอกันตลอดชาติแล้วเคยทำบุญอะไรร่วมกับครอบครัวนะั้นหรือเปล่าคะหมายถึงลูกของตัวส่วนตัวลูกเองที่ลูกที่ทำแท้งไปสมควรจะทำอย่างไรดีคะซึ่งจะหมดกรรมซึ่งกันและ ก, กันคือกลัวบาปทาแท้งไปสองเพราะไม่ไม่รู้เรื่องนั้น พ่อสามีลูกตายแล้วไปไหนคะแล้วบุญที่สร้างของพลายเขาเขาได้รับหรือเปล่ากรรมอะไรทำให้ลูกปวดท้องมากและสามีเป็นโรคเอ็นหลังขาดลูกจะสามารถช่วยคุนแม่และสามีให้เลิกเล่าได้ไหมคะเราตั้งใจอยากจะเปิดศูนย์ปฏิบัติทร ท, ที่เมืองลูกอยู่เพราะถ้าเรารวมคนในเสียได้ส0 0รอคนขึ้นไปทำกิจกรรมรัฐบาลก็จะให้งบสิบล้านบาทในการสร้างลรจะสามารถสร้างศูนย์ปฏิบัติธรได้สาเร็จไหมคะ เอามาฟังกันเลยโลกทำกรรมอะไรมาในวัยเด็กเป็นกรรมในอดีตในฝันในฝันนะฝันหลับฝันไปเป็นตุเป็นตะเป็นกรรมในอดีตเคยเกิดเป็นผู้ชายหลบหลอในครอบครัวฐานะปานกลางตั้งแต่วัยรุ่นมานะ มินิสัยชอบกินเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้ชอบหลอกผู้หญิงสาวนำมาเป็นภรรยาเมื่อเขาท้องก็ถอดทิ้งไม่รับเลี้ยงหรือแม้ไม่ท้องก็ถอดทิ้งเพราะเบื่อแต่พอโตอขึ้นก็ได้คิดเลยลดละแต่ยังไม่เลิกนิสัยเหล่านั้นคือลดละลงมา และแต่งงานมีครอบครัวแต่ยังไม่เลิกกินเหล้าสูบบุหรี่จนมาเจอหมู่คณะของเรานี่แหละก็เลยเลิกทำสิ่งไม่ดีทุกอย่างทั้งหมดที่ชาตินี้มาเจอวิบากยามเด็กกับเพราะเหตุนี้แหละที่ไปเจ้าชู้นะ่ะจริงๆแล้วชาตินี้เนะี่ยจะต้องไปเป็นโสเพณีด้วยซ้ำแต่บุญที่เคยทำกับหมู่คณะในอดีตพยุงเอาไว้ กรรมเนาะยินล่าเจ้าสู้สูบุรีเลย<อ>ลูกคนแรกที่มีคนรับไปเลี้ยงเพราะเด็กคนนี้มีบุญกับครอบครัวนั้น<อ>เคยเป็นลูกเขามาก่อนในอดีต<อ>ชาตินี้แม่ปัจจุบันแค่เป็นทางผ่าน<อ>เพราะกรรมของลูกของตัวเนี่ยเพราะวิจีกรรม ของลูกของตัวเอง oh. ที่ทำกับพ่อแม่ในอดีต oh. พ่อแม่แนอดีตตามใจเวลาไม่ถูกใจลูกคนนี้ก็จะงอน oh. และโกรธ oh. เวลาโกรธก็มักจะพูดว่า oh. ไปหาพ่อแม่อื่นเกิดก็ได้ oh. มีใครพูดมั่งอย่างนี้เวลาโกรธไม่มี oh. พูดยังไง Hmm? ไม่มีไม่เคยเนี่ยไปหาพ่อแม่อื่นเกิดก็ได้<อ>แต่ตอนหลังหายโกรดก็ไปขอโทษโ<อ>และสร้างบุญก็ร่วมกับพ่อแม่ในชาตินั้นซึ่งก็มาเป็นพ่อแม่บุญธรรมในชาตินี้และตัวเองก็ไม่เคยมีกรรมทําแท้งไม่เคยทําแท้งใครเลยเนี่ยจึงรอดจากการถูกทําแท้ง<อ>คือแม่ปัจจุบันตัวก็พยายามจะทำ ก็ไม่รู้ว่าลูกท้องเกันมาแล้วก็ปล่อยเลยดำเลยไม่ใช่พยายามดำเพราะไม่มีกรรมําแทงเพราะไม่มีกรรมําแทงเนี่ยใครก็ทําไม่ได้ยังไงก็ต้องรอดชีวิตลูกที่ทําแทง้งไปสองคนจะให้หมดกรรมจากกันก็จะต้องทําบุญทุกบุญแล้วทิดไปให้เขาบ่อยๆต้องนั่งสมาธิเยอะๆนะลูกนะเพราะข้าเขาอ่ะ กรรมเนี่ยสำคัญทีเดียวแหละทำบุญบ่อยๆนั่งธรรมะเยอะๆทานศีลภาวนาให้มันสมบูรณ์แล้วก็อุทิศบุญทุกบุญไปให้เขาบ่อยๆก็จะหมดจ ก, กรรมจากกันได้พ่อสามีตายแล้วไปเกิดเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรดี จำได้แบบกราทำอะไรตอนเป็นมนุษย์ทำบุญด้วยองค์พระด้วยอืมทำทั้งบุญทั้งบาปกอสามีเนี่ยสร้างองมีชีพแข่งก็สร้างโดยสารสนเทศขายของกลาดกินเล้าสูบุรีตลอดแต่ห้ามปลามรูกมาให้ทำตา ม, ตามลาแล้วก่อนตายาออ ก, าก่อนพ่อสามีจะตาย สามีก็ได้ทำบุญสร้างของพระอาทิตย์พ่อสามีตายแล้วไปเกิดเป็นงูในสวนสัตว์คือตอนตายใหม่ๆเนะี่ยเวียนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็มารับตัวไปยมโลกพยายมราชก็สอบถามเรื่องอาชินกรรมเกี่ยวกับบุญบาป ทั้งดื่มเล่าสูบบุรีแล้วก็ผิดศีล ต, ต่างๆซึ่งจะต้องไปมาหานกรกแต่บุญที่สร้างองค์พระที่ลูกทำให้เนี่ยคุ้มเอาไว้จ<อ>ึงถูกปล่อยตัวเพราะปล่อยตัวก็วิ่งออกจากยมโลกยังสุดฤทธิ์เพราะว่าโอ้โหระหว่างทางเห็นทันตารมานตัรนรกในยมโลกกลัว ก็วิ่อย่างสุดฤทิ์เลยพอมาถึงรอยต่อพบรอยต่อพบจําภาพได้ไหมไรอยต่อพบมันจะมืดๆนะจะมีแสงแวบๆไปกามสุลาก็โดดให้มาเป็นสัตว์เลื้อยคลานคืองูอตัวใหญ่ในสวนสัตว์ที่เขาเคยทํางานอยู่นี่แหละ<อ>นี่ก็เป็นตัวอย่างดีชั่วรู้หมดแต่ว่าอดไม่ได้ ห้ามปลามลูกก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะไม่อยากลูกทำแต่ตัวทำาพราะอดไม่ได้ที่ลูกปวดท้องมากก็เพราะกรรมทำแท้งจ้ะกรรมทำแท้งทำให้ปวดท้องเวลามีประจำเดือนเลยจนเกือบตายส่วนสามีเนี่ยเป็นโรคเอ็นหลังขาดเพราะในอดีตเคยเป็นอัะสันนิษฐานวิยาเ๊ยทำไมเก่งฮห้ ถูกต้องแจเป็นนักมวยปล้ำอ้าวโอ้โหเก่งฮะได้ทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บแบบเดียวกันแม้ต่อสู้กันบนเวทีด้วยความสมัครใจกันกระามก็มีวิบากกรรมเอ้ยเก่งฮะเออหน้าฉันนี่ไม่ธรรมาดานั่นเนี่ย ต้องสังสมบูรณทุกบุญให้มากๆ oh. แล้วอธิษฐานให้บุญช่วยหนักก็จะเป็นบ่าวจา oh. ลูกก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะช่วยคุณแม่และสามีให้เลิกลาวได้ oh. คือก็ต้องใช้ความรักความปรารถนาดีอย่างแท้จริง oh. ก็คอยแนะนํากันไปทําบ่อยๆดูเวลาและอารมณ์เขาถ้าเขามีความพร้อมเนี oh. ่ยไปอยแนะไปเรื่อยๆพอเขาหมดกรรมเขาก็ทําได้ oh. Oh. ตามลำพังตัวเองเนี่ยกำลังไม่พอ ถ้าจะไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมในเมืองต้องไปหาผู้มีบุญในเมืองนั้นมาช่วยก็ oh. จะสำเร็จได้ oh. ผู้มีบุญนั้นะ่ะ oh. เขาจะมีอายุรุ่นลาวคลาว oh. เดียวกันนั่นแหละ oh. ไปดูเถอะ oh. เขาจะมีฐานะดีในสังคม oh. ใ, ใช้ความยามไปเถิด oh. จะเป็นบรมีติดตัวไปในพบเบื้องหน้าจ้า oh.